นักเรียนนักเรียนมาวัดต้องเข้ามานั่งอยู่ข้างในนะม่นั่งอยู่ข้างนอกไม่ได้นะนั่งอยู่ข้างนอกเดี๋ยวคุยกันเพราะนั้นต้องนั่งให้เรียบร้อยต่อไปทั้งหนาเนวสิบเถ้าขึ้นกันก็พวกเข้าเนะี่ยมันต้องเฮียนเอาไว้ต้องศึกษาเอาไว้เมือ่อกลุ่มพ่อสมัยเป็นเด็กยมพ่อยมแม่พาไปวัดป่า นะขนาดนี้สมัยนะั้นหลวงตามหาบัวท่านอยู่ที่ห้วยทรายปี 2,494-95 ตอนะนั้นหลงปู่ึิงทองท่านเลเอ่กระโทนไปล้างให้กระโทนไปล้างเราก็ไม่เคยจับกระโถนเราก็หยิบจงสองข้างนี่จ <laughs> งจำไม่ลืมกันทุทกวันนี้เหมือนกัน ตัวเล็กๆ เ, เพราะนั้นเด็กน้อยนี่พาเข้าวัดนี่หลวงพ่อว่าดีใครๆมันเขาได้ศึกษาเขาได้เรียนรู้กับการเป็นอยู่กับพระสงฆ์องค์เจ้าท่านอยู่ยังไงใครๆมันติดตาติดใจไปนานเท่านา น, นอันนี้ทั้งฝ่ายพระสงฆ์ ฝ่ายพระสงฆ์ท่านเน้นหนักเรื่องพัฒนาจิตใจเป็นหลักเพราะหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องจุดภาวนานี่แหละเป็นสําคัญมากกว่าอย่างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระกรรมฐานที่อยู่ในป่าท่านให้ดูใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าถ้าใจดีสักอย่างเดียวสุขสิ่งทุกอย่างก็เห็นเหตุเห็นผลมีเหตุมีผลไปด้วยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพระสงฆ์ ที่ท่านไปบาเพ็ญอยู่ในป่าดงพงไพรถึง6ปีนะั่นก็นี่แหละท่านไปฝึกใจของท่านเองแต่การฝึกใจนี่ไม่ใช่ของง่ายนะฝึกใจมองมาเห็นด้วยตาเนื้อแต่มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเรานึกคิดเรื่องอะไรนั่นะฝึกขัดในการนึกคิดนั่นะให้มีกรอบให้มีเหตุมีผลเราจะทำยังไงจริงจะให้มันอยู่ในกรอบในเหตุในผล พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้นั่งสมาธิกําหนดจุดใดจุดหนึ่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันจ้านซาไปที่อื่นเหมือนงั้นเไม่ให้มันกระจายไปที่อื่นจิตใจกร ะ, ะจายมันซาไปที่อื่นเลยมันไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นดึงความซาหรือความซ่านของใจนให้มันอยู่จุดใดจุดหนึ่งคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหรือ ให้มีดูหัวใจขณะที่มันเต้นก็ได้ออหัวใจของเราเต้นตึบตึบตึบอกําหนดดูที่นั่นเอาเอาใจกําหนดดูที่หัวใจของเราที่มันเต้นให้มีสติอยู่ที่นั่นหัวใจเราเราเรามันเต้นอยู่แล้วตามปกติเราเจิติจับอยู่ที่นั่นก็ได้หรือกําหนดลมหายใจเข้าหายจออกได้หรือถ้ามันไม่อยู่กําหนดลมหายใจด้วยให้ดูหัวใจเต้นพร้อมกันก็ได้ดูซิมันเป็นยังไง ถ้าเราอยู่ในที่สงบเราจะเห็นนะถ้าเราอยู่ในที่ส ง, งบเงียบจริงๆนะเวลาหายใจเข้ากับหัวใจมันเต้นเยเราอยู่ในระหว่างกลางให้รู้ทั้งหัวใจเต้นด้วยรู้ทั้งลมหายใจเข้าออกด้วยนั่นนะมันจะไปที่ไหนใจวะสอง ส, สองเชือกขึงถึงเวลาสติของเราขึงไว้ทั้งสองข้างล่ะไม่ให้มันไปไหนแล้ว ง, งั้นเห็นทั้งลมด้วยเห็นทั้งหัวใจเต้นด้วยอนะ นี่แหละการฝึกเบื้องตน้นแต่ฝึกอย่างนี้ยากมหมยากพูดว่ายากแต่ถ้าฝึกได้แล้วนั่น่ะพอฝึกได้แล้วเราจะคิดเรื่องอะไรมันก็มีอยู่ในกรอบเเมื่อเราดูใจของตัวเองรู้ได้แล้วว่าเราจะคิดเรื่องอะไรเราจะทําเราจะส่งการกระทาออกไปมันถูกต้องไหม เ, เราก็มีสติแล้วเราจะพูดออกไปถูกต้องไหมมันก็มีสติ เพราะว่าเราเคยฝึกสติอยู่กับตัวเองไวแล้วใจให้มันอยู่อยู่เป็นให้มันนิ่งซะก่อนถ้าว่าใจของเราส่งเสรมิมไปในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่เรื่องกิเลสราคะโทสะโมหะมันลังไมาอยู่นะมันออกไปนอกตเตลเิดเปิดเปิงไปเรื่อยรอบะบดเเพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกสมาธิจิตให้สงบจิตให้เป็นหนึ่งให้จิตอยู่กับตัวเอง แต่เมื่อจิตอยู่กับตัวเองแล้วนั่นแหละจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีเหมือนกับเราดืนนิ่งเมื่อเราอยู่นิ่งสิ่งต่างๆผ่านเข้ามาเราก็เห็นได้ถ้าเราวิ่งนะจนีน้ถ้าวิ่งไปเราจะเห็นไหมหมดมาเห็นเห็นแต่ตัวใหญ่ๆอันไหนใหญ่เราจะเห็นอันนี้เหมือนกันใจของเราถ้ามันวิ่งวุ่นอยู่ตลอดมันจะไม่เห็นคุณงามความดีจะไม่เห็นสิ่งอันไหนที่มาเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมด แต่ถ้าใจเรานิ่งแค่อย่างเดียวเราจะมองเห็นเหมือนกับน้ำมันนิ่งถ้าน้ำนิ่งเรามองเห็นเงาในกระจกส่องลงไปเราจะเห็นหน้าของเราในน้ำที่มันนิ่งแต่น้ำมันก็เพิ่มเรามองลดไปสิมันก็ไม่เห็นพเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรเพราะน้ามันก็เพื่มน้ามันไหวอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าใจนิ่งเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดี เ น, นั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนทาจิตให้สงบทมจิตให้นิ่งซะก่อนจึงพิจารณาหรือมองเห็นสิ่งภายนอกจะรู้ได้ด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสติด้วยปัญญ า, ส ต, ส, ตญญาสติกับปัญญาเนะี่ยมันของคู่กันถ้าขาดสติแล้วปัญญาก็เลื่อนลอยปุ่ฟุ้งไปอย่างนั้นแบบเ้าเชือกขาดอย่างนั้นปัญญาปัญญาไม่มี ส, สติ เหมือนกับคนคิดเนะี่ยพูดเพอ้อไปเลยแต่ฟังฟังดูก็เหมือนกับคนเหมือนกับมีปัญญานะพูดเพอ้อไปเลยแต่มันขาดสติเหมือนกับคนบ้าอย่างนั้นนะบางทีเขาคงพูดเขาทา่าเขาทางนะแต่ผลที่สุดมันมีสติขาดสติเพราะ น, นั้นสติเนี่ยต้องมาก่อนเมื่อสติมาแล้วปัญญาเหตุและผลก็มาด้วยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เรียกว่ามหาสติมหาปัญญานะ เพราะนั้นพวกเราถึงจะทําไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็พยายามทําจิตให้สงบเป็นพื้นฐานนิดหน่อยแต่ละวันแต่ละ5วันละหานาทีเนี่ยได้ไหมพยายามนั่งกําหนดลมหายใจไม่ต้องคิดไปที่อื่นอันนั้นคือว่าให้กําลังแก่ใจให้ใจมีกําลังให้อาหารใจในี่แหละให้อาหารใจให้อย่างนั้นะแต่อาหารกายนะให้อีกแบบหนึ่งนะอาหารกายนี่แหละเราทานอาหารกันนี่แหะคืออาหารกาย แต่ส่วนอาหารใจนั่คือทำกิจให้สงบทำกิตให้นิ่งต่อเ น, นี้ไปรับพอรอนโมตนาให้พร